การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายก็คงเชื่อว่าเป็นการศึกษาการปฏิบัติที่มีเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมคงไม่ใช่หลักลอยอะไรคงไม่ใช่เป็นเจตนาที่เลื่อนลอยไม่ใช่เป็นความปรารถนาที่เลื่อนลอยอเมื่อมีความตั้งใจที่ดีหมายความว่ามีความตั้งใจที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่เราตั้งใจนั้นก็คือการปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้อริยสัจ ตรัสรู้ทมเป็นที่พ้นทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราได้รับการบอกเล่าจากคำสอนที่พระองค์สอนไว้ว่าผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจธรรมเนี่ยนะยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิทงท่านบอกว่าเอาโซดาปฏิผลเนี่ยนะหารสิบหกผ่าออกมาสิบหกใช่แล้วเอาหนึ่งในนั้นมาหารเป็นสิบหกอ่ามหานอีกสิบหกเขาบอกว่า จกกักรพรรดิสมบัติก็ยังไม่ได้ถึงเศษเสี้ยวของโซดาปฏิพนมันก็คือหารโซดาปฏิพนหารโสดาปฏิพนเนี่ยนะเป็นแสนเท่าหรือหารเป็นแสนเท่าเนี่ยนะโซดาสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิก็ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงหนึ่งในแสนเลยถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้น ทั้งที่พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีอำนาจมากมีเดชมากมีความรุ่งเรืองมากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่แม้แต่มนุษย์และเทวดา ย, ยัางเคารพนะนะทำไมการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี้จึงไม่ได้เท่ากับเป็นพระโสดาบันเหตุผลง่ายก็คือทุกของพระโสดาอของพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ได้รับการปลดลงเลยทุกทั้งหลายของพระเจ้าจากักรพรรดิ ยังไม่ได้ดับเลยเพราะพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังเวียนกลับไปสู่อบายทุกติวินิบาตและนรกนั้นถามว่าพวกปูปลาทั้งหลายเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไหมในอดีตอันยาวนานเขาเคยเป็นแล้วพวกสัตว์ในอบายทั้งหลายเขาก็เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วพ้นจากอบายพ้นจากกองทุกเหล่านั้นดังนั้นการเป็นพระโสดาบันนั้นจึงเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ เป็นคุณที่เลิศเป็นคุณที่สูงถ้าเทียบกับโลกิยธรรมทั้งหลายเนวะสัญญานาสัญญายตนะก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของโสดาปฏิพน์เนี่ยนะไม่ได้เศษเสี้ยวของการบรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อการบรรลุเป็นพระโสดาบันมีคุณมากเบียร์นิสงมากยิ่งใหญ่กว่าเทวโลกยิ่งใหญ่กว่าหลายๆเรื่องอะนะยิ่งใหญ่กว่าโลกิยธรรมทั้งหมดแล้วโสดาปฏิพน์นั้น ะเป็นคุณธรรมที่พระอริยะทั้งหลายท่านตั้งความปรารถนามายาวนั้นการตรัสรู้อริย ะ, ะโสดาปิผลเป็นต้นเนี่ยนะกองทุกข์ที่ดับไปเนี่ยเหมือนอะไรบ้างท่านดับกองทุกข์อะไรได้บ้างก็บอกว่าทุกข์ของปุตุชนเท่าแผ่นดินทุกข์ของพระโสดาบันเท่ากับถั่วเจ็ดเม็ดทุกข์ของปุตุชนเท่ากับน้ําทะเลมหาสมุทรทุกข์ของพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดจะนะ พันการเปรียบเทียบทุกของปุตุชนกับทุกของพระโสดาบันเนี่ยห่างเทียบกันไม่ได้เพราะว่าปุตุชนผู้ยังไม่เห็นอริยสัจธรรมยังมืดยังบอดความมืดความคล้าเหล่านั้นทำให้เขาประพฤติกรรมทั้งดีทั้งชั่วแต่โดยมากจะชั่วเนี่ยนะก็นำไปสู่อบายทุกขติวินิบัตรนรกมีอยู่ครั้งคราวบ้างที่เขามาเกิดในสุขติและโลกสวรรค์ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ปุตรชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ตรัสรู้อริยญายธรรมไม่ตรัสรู้ธรรมที่นำออกจากกองทุกข์ทั้งหลายที่นี้เมื่อความเป็นพระโสดาบันยิ่งใหญ่อย่างนี้ดีอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันควรจะเป็นข้อปฏิบัติเช่นใดนะจึงจักสมควรแก่การเป็นพระโสดาบันเนนะเอาเอาข้อปฏิบัติเช่นใดเนอเซนก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างใช่ไหม จิตก็ฟุ้งซ่านอากุศลวิตกกลุ่มรุมเดี๋ยวก็กามาวิตกบั่งเดี๋ยวก็พยาบาทวิตกบ้างพอไหมปัญญาก็ไม่ต้องรู้อะไรมากรู้แค่อารมณ์ปัจจุบันก็พออะไรเกิดขึ้นก็ระลึกรู้มันไปพอไหมอย่างนีนะแต่ว่าสมัยนี้เขาถือว่าเพียงพอเนนะเป็นที่น่าแปลกใจว่าในช่วงหลังข่าวสารข้อมูลที่ออกมาเป็นเช่นนั้นเลยนะว่าเพียงพอแล้ว ศี่ห้าก็เพียงพอแล้วสมาธิอาจจะสวดมนต์บ่ายพระบ้างเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วปัญญาทั้งหลายก็ติดตามให้มันทันปัจจุบันอารมณ์ก็เพียงพอแล้วนะซึ่งเห็นได้เลยว่าโสดาปฏิผลเสื่อมทําไมโสดาปฏิผลจึงเสื่อมเพราะข้อปฏิบัติที่ทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเสื่อมเมื่อมคาปฏิปทาข้อปฏิบัติเสื่อม เราก็กล้าพูดได้เลยว่าโสดาปฏิพันธเสื่อมเพราะไม่มีการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่แก่ธรรมรักษาศีลก็ส่วนหนึ่งก็รักษาแบบขอไปทีคือไม่ได้รักษาเหมือนว่าตัวเองรักษาทรัพย์อะไรแต่ก็มีนะผู้ที่เขาตั้งใจรักษาแต่ปริมาณไม่มากนักนะปริมาณไม่มากจนน่าใจหายอย่างนั้นนะคนที่มีความรักในศีลจริงๆนะ เป็นผู้มีศีลรักศีลอย่างคล้ายๆกับคําที่เราปรารถนาะคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มากนะักจนโบราณท่านเวลาทําบุญให้ตั้งความปรารถนาะขอให้เป็นคนรักศีลเพราะเราไม่ค่อยอยากจะรักศีลเท่าไหร่นะสมมติถ้าใครเรารักที่จะมีเมตตาต่อผู้อื่นหรือรักที่จะโกรธต่อผู้อื่นดีนะรักที่จะมุ่ที่ตาต่อผู้อื่นหรือรักที่จะตําหนิผู้อื่นดีอสาธุขอให้จริงอย่างปากว่าเต้ ขอให้สภาพจิตเป็นดังที่วาจากล่าวนําะคของท่านกล่าวเช่นใดขอใจของท่านจงเป็นเช่นนั้นเถิดนีนะแล้วก็แสดงว่าว่ารวมๆแล้วผู้ที่น้อมไปที่จะรับกุศลศีลเนี่ยไม่มากนักหรอกมีไม่กี่คนที่มองว่าความอายชั่วกลัวบาปเป็นทรัพย์นนะดีนะเราเนี่ยมีบุญจังเลยที่เรารู้จักอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอากุศลทั้งหลายนี่เป็นบุญของเราแล้ว ที่เราอายชั่วที่เรากลัวบาปนี่นะหลายๆเรื่องถ้าเราไม่อายชั่วเราไม่กลัวบาปเราคงทําบาปให้แก่ตัวเองอะไรอีกเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าผู้ใดมีความรักหรือมีความเต็มใจรักที่เรียกว่ายินดีอย่างแรงกล้าในความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้นั้นคือผู้มีศีลเพราะคุณสมบัติของผู้มีศีลศีลนี่มีความอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปเป็น เหตุใกล้ผันใครจะศีลบริสุทธิ์หรือไม่สังเกตดูใจเราเองว่าพื้นฐานจริงๆเราอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปแค่ไหนเมื่ออารมณ์ทั้งหลายมามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายเป็นยังไงเราน้อมไปที่จะอายกลัว อ, อายชั่วกลัวบาปไหมในสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นเห็นเพื่อนนะอายชั่วกลัวบาปไหมที่จะพูดเพ้อเจ้ออันนั้นนี่อายชั่วกลัวบาปไห ม, นนนนนนไหมถึงจะพูดถึงคนที่สด้วยอกุศลจิตอย่างไงเป็นต้น ก็สังเกตดูว่าสามัญญาสำนึกเนี่ยเราเรารักษาศีลด้วยพื้นฐานว่าอายชั่วกลัวบาป น, นะอย่างแท้จริงหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็อนุโมทนาด้วยว่าศีลท่านดีแล้วเนี่ยนะศีลของท่านดีมากทีนี้บรรดาชีวิตที่เป็นไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอกุศลวิตกเนี่ยมันเกิดมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนในโลกนี้ที่จะเกียดกันอกุศลวิตกด้วยฮีริมีน้อยนะัก พื้นฐานจริงๆเรามีความละอายใจแค่ไหนที่จะคิดเป็นบาปคิดเป็นอกุศลเห็นโทษของบาปเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นคนที่เกียดกันรังเกียจชิงชังอกุศลวิตกทั้งหลายด้วยหีริโอตาปะจึงมีไม่มากเมื่อไม่มีมีไม่มากอกุศลสังกปะมีมากอย่างนี้แล้วมิชาวาจาจึงมากเมื่อมิชาวาจามากมิชาอย่างอื่นก็ตามมา มิจฉาวาจานั้นพื้นฐานมาเกิดจากมิจฉาวิตกมิจฉาวิตกเหล่านี้ก็จากอากุศลสัญญาทั้งหลายทั้งที่เป็นการมสัญญาบ้างพยาบาทสัญญาบ้างวิหิงสาสัญญาบ้างนั้นก็ต้องหมั่นสมาทานที่จะให้จิตเป็นไปกับกุศลวิตกทั้งหลายให้เป็นอัพยาปาทวิตกนะให้เป็นเนคขมาวิตกให้เป็นอวิหิงสาวิตกเพราะวิตกเหล่านี้เป็นสมัมมามรรคนะ่ยนะ พระพุทธเจ้าแต่ถามว่าสัมมากรรมันต ะ, ะสัมมากรรมันตะข้าไสัมมาสังกปะเป็นชนะัเนคข ม, มะสังกัปโปอัพยาปาท่าสังกัปโปมิชัลอวิหิงสาสังกัปโปเพราะว่าสัมมากรรมันตะคือเนคข ม, มะวิตกอัพยาบาตวิตกและอวิหิงสาวิตกอันนั้นก็เป็นมรคนะงั้นถ้าใครคิดว่ากําลังเดินทางตรงเดินทางเพื่อความพ้นทุกข์ สิ่งที่ไม่ควรเลอะเลือนหลงหลืมก็คือกุศลวิตกทั้งหลายพยายามให้จิตเป็นไปกับกุศลวิตกแล้วก็กุศลวิตกดังที่กล่าวไปว่าเป็นบาทของสัมมาส ม, มาธิด้วยนะเพราะว่าสัมมาส ม, มาธิที่ถูกต้องเช่นปฐมวชาญก็ประกอบด้วยองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนี่ยนะเป็นสมาธิที่พื้นฐานเกิดจากวิตกวิจารปีติสุขสมาธิเหล่านี้ก็มีกุศลวิตกนั่นแหละเป็นเหตุใกล้มีอภยาบา อ่ะนะมีเนคคำมะมีอวิหิงสาเป็นต้นนั่นเองใครที่ชาระทั้งอ่าชระศีลเนี่ยนะถ้าใครที่ต้องการชาระศีลจริงๆเนี่ยขอมาแนะนำว่าให้ไปชาระที่หีริโอตปะเนี่ยนะถ้าชาระหีริโอตปะได้เป็นอย่างดีพื้นฐานอายชั่วกรัวบาปถึงโดยหัวข้อของศีลจำไม่ได้มากไม่ได้เรียนมาเยอะแบบคนอื่นเขาจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ แต่ว่าพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานว่าสิ่งนี้ใกล้ต่อบาปไหมใกล้ต่ออาคุศลไหมรังเกียจเลือเกินในบาปชิงชังเลือเกินต่ออาุสน ล, ละธรรมทั้งหลายเพราะอาุศลเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าหากว่ารักรักฮิริโอตาปะอย่างนี้จริงก็เชื่อว่านั่นเป็นศีลเป็นศีลศีลเหล่านี้เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เป็นยานที่จะนาออกจากอบายนะฮิริโอตปะเนี่ยนะถ้ายิ่งมีฮิริโอตปะ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในทุกหนทุกแห่งในทุกอารมณ์ก็แสดงว่ายังไงเราก็ข้ามอบายได้อยู่แล้วเพราะว่าสิเรกโอตะปะเป็นอริยทรัพย์ที่เป็นเหมือนยานพาหนะที่นำออกจากอบายทุกขติวินบัติทีนี้ถ้าหากว่าพื้นฐานมีเนเข ม, มวิตกจริงมีอัพยาบาทวิตกจริงมีอวิหิงสาสังกปะจริงเชื่อไหมท่านมีคุณธรรมพอที่จะออกจากกามมพได้ ห้าเจริญสัมมาสังกปะให้บริบูรณ์สัมมาสังกปะที่บริบูรณ์นี้ระดับไหนระดับปฐมฌานปฐมฌานนี่สัมมาสังกัปปะจึงจะบริบูรณ์พันธาได้ระดับปฐมฌานก็ข้ามพ้นข้ามพ้นจากกามภพทั้งหลายทั้งสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะซึ่งมีหิริโอตตะเป็นบาตร นนะกุศลวิตกทั้งหลายที่เป็นไปกับสมาธิพวกนี้ก็เป็นศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิเราก็มาตั้งคําถา ม, ถามตัวเองบ่อยๆว่าฮิริโอตปะของเราคู่ควรหรือยังที่จะเป็นพระโสดาบัน น, นะคู่ควรกันไหมเนีย่ยนะเราเป็นให้เป็นคนให้คะแนนเองรับผิดชอบตัวด้วยตัวเองว่าสอบติดหรือไม่ติดสอบผ่านหรือไม่ผ่านรับผิดชอบด้วยตัวเองเนีย่ยนะมาก็มาเล่าเล่าให้ฟังไปอย่างนั้นแหละฝึกฝึกบ่นไว้แก่ไปแล้วจะได้ใช้เป็น จริงก็แก่แล้วล่ะทีนี้ต่อไปถ้าหากว่าเป็นพวกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นของเราทิฏฐิของเราพอไหมที่จะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าพอไหมที่จะเป็นพระโสดาบันมีความเห็นพอหรือยังสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิเป็นไงนะทุกเขยานางังทุขสัสโมทะเยายานางังทุกขานิโรเทยานางังทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทา ยานังนะความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสัมมุทัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธาคามมนีปฏิปทานั่นเป็นสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิรู้รู้อะไรรู้อดีตรู้ขันธะอายตนะที่เป็นอดีตสัมมาทิฏฐินั้นรู้ขันธะอายตนะที่เป็นอนาคตสัมมาทิฏฐินั้นรู้ขันธะอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตสัมมาทิฐินั้นรู้ปฏิจจสมุปบาท รู้ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยรู้กองทุกทั้งหลายว่ากองทุกทั้งหลายคืออะไรกองทุกทั้งมวลในโลกนี้คือชราและมรณะชารามรณะเรามีอะไรเป็นเหตุใกล้อ่านะทัวในครั้งหนึ่งนะก็มีมีชาติเป็นเหตุใกล้พันธุมามาประสบทุกในโลกนี้อ่านะกองทุกทั้งมวลในโลกนี้มีชาติเป็นเหตุใกล้เพราะ ช, ชารามรณะนี่บวกกับ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นไม่เว้นแต่ละวันใช่ไหมชรามรณะเราก็เห็นเห็นกันมากนะเห็นถ้าใครท่องว่าชราคืออะไรความแก่เป็นฉนะัยภ า, าวะที่อะไรภาวะที่อะไรฟันหัก ผ, ผิวหนังเป็นยังไง ผ, ผิวหนังก็ย่นยนันะแล้วก็ศรีรษะผมก็งอฟันก็ฟันก็หักฟันก็ร่วงฟันก็หลอ่อเป็นต้นเนี้ยนะบัวบัว ปันหลอล้วันหักภาวะที่ฟันหักก็แสดงว่าแก่กว่าตอนนั้นน่ะ น, นะชรากว่าตอนที่ก่อนหักงั้นนะ่ะหมายความความที่ผมหอ่อผมงอกผิวหนังเหี่ยวยน่นอะไรทีนี้รวมถึงว่าประสบความทุกข์อย่างอื่นนะประสบกับความป่วยความไข้ความป่วยความไข้ความไม่สบายทั้งหมดเหล่านั้นก็รวมไว้ในะกับคําว่าชราคำว่าชร า, ชราในที่สุดสังขารทั้งหลายก็ แตกทำลายไปชรามรณะนี้คือใครใครน้อแลเป็นชราและมรณะมีไหมฉลามรณะมีจริงอันนะตัวผมเป็นใครใครเป็นผมอ่าผมก็เป็นผมนั่นแหละภาวะที่ผมงอกท่านจึงว่างั้นอันนะ้นใครเป็นฟันใครอ่าฟันเป็นใครไม่มีใครมีฟันฟันเนี่ยมีอยู่จริงละแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะเป็นใครหรือเป็นผู้ใด แต่ว่าภาวะที่ฟันหักเป็นต้นเนี่ยมีอยู่แล้วความตายใครตายบอกว่าสภาวะคือความตายมีอยู่แต่ผู้ใดผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเป็นผู้ตายหามีไม่ความแก่ความตายเหล่านี้มาจากการเกิดการเอามาชอบอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่สรรเสริญการปรากฏตัวในภพทั้งหลายเขามาอยากจะแปลว่าท่านรังเกียจการเสนอตัวไปในภพต่างๆมากนะ มั้งมีงานปั๊บเขาไม่เชิญเราก็เสนอไปเองอย่างเงี้ยลักษณะนี้ใช่ไหมอบายเขาก็ไม่ได้อยากเชิญเราไปเท่าไหร่นะแต่ว่าขอขอเสนอตัวไปนะเสนอตัวไปที่ไหนมั่งที่ปรที่อสุรกายที่เดรชนันเสนอตัวอยู่ในวัด ต, ตะเนี่ยนะเสนอตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะนั้นไอการเสนอตัวในภพเนี่ยถือว่าเป็นความทุกข์เพราะความที่เสนอตัวมาเลยก็เลยรับใช้ภพเลยนะนะสมัครมารับใช้ชาติ ชาลามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเนี่ยนะพันธุ์ใครที่เสนอตัวมาก็เหมือนสมัครมารับใช้ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตทั้งหลายชาติเหล่านั้นมาจากไหนทบทวนนะมาจากมาจากภพมาจากกรรมทั้งหลายนะการรู้ชาติชรามรณะนี่เรียกว่ารู้จักปัจจุบันหรือในขณะเดียวกันถ้าเกิดในภพใหม่ต่อต่อไปก็คืออนาคต อนาคตถ้าเราจะไปเสนอตัวชาติใดพบใดก็คือเสนอไปชรามรณโะโศกบริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเสนอเสนอไปรับทุกขนะขอเป็นผู้รับใช้ทุกเองก็ขอรับใช้ชาติชรามรณโะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาต์ต่อต่อไปมันอ น, นอนาคตต่อไปเราจะเกิดกี่พบกี่ชาติเกิดกี่ครั้งเกิดกี่โหนเกิดกี่แห่งเกิดณนะที่ใดๆก็คือเสนอตัวไปเพื่อ ชาติชารามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตคิดอย่างนี้ก็น่าสงสารตัวเองเหมือนกันนะนะโอ้ยจะทําจะไปอะไรนะจะไปเบียดเบียนตัวเองไปถึงไหนเนอเสนอตัวไปทุกข์อีกแค่ไหนเนาะเสนอตัวไปหลังน้ําตาเสนอตัวไปเสียเนื้อเสียเลือดแล้วไม่ได้รางวัลอะไรด้วยนะรับใช้ชาติชารามรณะไม่ได้อะไรเลยได้แต่กองทุกข์ล้นล้วนที่เกิดขึ้นพระ อ, องค์ตรัสว่าอิมัสสะเกวรสสะทุก ข, ขขันธะสะสมุทยโยโหติ กองทุกทั้งมวลนั่นแหละโดยที่ปราศจากคนสัตว์บุคคลเจือปนกองทุกเหล่านั้นมีอยู่จริงนั้นกองทุกเหล่านี้มีอยู่ในกองพบทั้งหลายมีอยู่ในพบทั้งหลายขึ้นเชื่อว่าพบการเกิดณนะที่ใดๆเกิดแห่งหนตําบลใดก็ตามก็คือการรับใช้ชาติชารามรณะเนี่ยนะเสนอตัวไปหาชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเขาจึงไม่ต้องการเขารังเกียจการไปในพบ พระพุทธเจ้าแรกแตรัสรู้พงศ์บอกว่าไงนะบอกว่าดูก่อนนาะตันหาผู้ช่างเราเมื่อสแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบก็ได้ท่องเที่ยวไปในชาติเป็นอเนกอเนกชาติสังสารังเนี่ยนะเมือ่อใคอรว่าเล่นไปในชาติเป็นอเนกเกิดแล้วเกิดเล่าดั้นการที่เกิดบ่อยๆทุกขาชาติปุณปุนังการเกิดแล้วก็ทุกเนี่ยนะการเกิดขึ้นชื่อว่าการเกิดแล้วก็ทุกทุกแล้วก็ ทุกทั้งหลายก็เพราะมีการเกิดก็อย่างที่อยากจะให้เน้นให้ข้อมูลอีกนิดหนึ่งว่าไปเที่ยวถามเถอะใครมีความสุขที่แท้จริงแต่ละคนแต่ละคนมันมีทุกคนละอย่างสองอย่างถ้าถ้าทุกคนมีความสุขจริงดีจริงบริบูรณ์จริงก็ไม่รู้จะศึกษาเพื่อความบ้นทุกข์ไปทําอะไรเพราะตัวเองก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ความทุกข์อีกอย่างหนึ่งของบางคนเขบอกว่าทุกข์เพราะกลัวจะหมดสุขอันนั้นก็เป็นความทุกข์อีกชนิดหนึ่งใช่ไหม คือคือกลุ่มแรกก็บอกว่าโอ้โหทุกพระแสวงหาตังค์กลุ่มต่อไปก็บอกโอ้ทุกพก่อรักัวจะรักษาตังค์ไม่ได้ไง น, นะเองงว่าแบบทุกเพ่อใช้ตังค <c oughs> <c oughs> ์ไงก็ก็วนๆอยู่นี่แหละทุกพ่อบริหารทราบทุกวนๆอยู่เนี่สรุปว่าทุกสิ่งทั้งมวนในลในโลกนู้ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นที่ตั้งแห่งกองทุกเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกแล้วก็ทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความโศกปริเทวะ อย่าว่าแต่โลกนี้เลยโลกในไหนพบใดๆที่จะเกิดต่อไปก็เช่เนชเดียวกันเช่นเดียวกันเนยนะก็บอกไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่ง จ, จีนยุโรปอะไรที่ไหนก็ช่างเ ห, เหมือนกันคือชาติชารามรณะโสกะ ป, ปริเทวะทุกทโทมณตและอุปายาเราเสนอตัวไปอยู่ณชาติใดประเทศใดในโลกนี้นะเหมือนกันหมดก็คือชาติชาราและมรณะโศกะ ป, ปริเทวะทุกทโทมณตอุปายาต ความเห็นแบบนี้แหละที่เรียกว่าสมมาทิฏิมีแต่กองทุกข์ลุ่นๆที่เป็นไปนะกองทุกข์ทั้งหลายที่มันเป็นไปมีแต่ขันอายตนะธาตุาที่เป็นกองทุกข์ขันธาตุอายตนะเหล่านั้นก็มาจากชาติชาติก็มาจากพบพระะนันชาติชราที่กาลังเป็นไปอยู่นี้ก็มาจากกรรมในอดีตเป็นปัจจัยกรรมในอดีตก็เกิดจากอะไรชาตนนินั้นก็เกิดจากความยึดถือว่าเราว่าเป็น ของเราเนี่ยนะเกิดจากความยึดถือว่าเป็นเราบ้างเกิดจากความยึดถือว่าเป็นของเราบ้างไอความสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรานั่นแหละทําให้ขวนขวายแสวงทํากรรมกันเมื่อทํากรรมก็คือเสนอตัวไปในภพต่างๆทีนี้ถามว่าไ อ, ไอการที่มีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นมาจากไหนบอกตรงๆบอกมาจากช า, ชาติชาราแลยมรณะ เพราะว่าวิญญาณนามรูปสลายตนะภาษาเวทนาเนี่ยก็คือตัวชาติชราและมรณะนั่นเองชาติชรามรณะนี่แหละเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราใช่ไหมฉลองวันเกิดของเราฉลองวันชาติชาลามรณะของเราแล้วก็ไม่ได้ฉลองตอนเกิดอย่างเดียวแลแก่มาแล้วก็ยังฉลองทุกปีทุกปีทุกปีฉลองชาติชรามรณะฉลองชาติชรามรณะนี่แหละ อ่านะเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ฉลองมากที่สุดคือประเทศเราเนี่ยนะทุกเทศกาลฉลองหมดฉลองในทุกงานทุกโอกาสแล้วก็ทุกที่ทุกหนทุกแห่งมีแต่ฉลองอย่างเดียวก็มีแต่ความอะไรนะมีแต่ความน่ายินดีมีแต่ความน่าเพลิดเพลินนั่นแหละเพรา ะ, ะความเพลิดเพลินทั้งหลายเพลินอะไรก็เพลินชาติชราและมรณะนั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่เขาเพลินเข้าไม่รู้หรอกว่านั่นคือที่ตั้งแห่งโสกปริเทวทุกโทมนัตเล อุปายาตอีกพักหนึ่งฉลองที่ได้สิ่งนั้นมาอีกพักหนึ่งก็เสียใจที่มีสิ่งนั้นเนี่ยนะก็วนๆกันอยู่อย่างนี้นี่แหละมันสรุปว่าความเกิดขึ้นในภพใหม่เนี่ยนะเกิดจากชาติที่แล้วเราเพลิดเพลินในชาติชารามรณะพอเพลิดเพลินในชารามรณะก็ยึดถือชาติชารามรณะว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ทํากรรมใหม่เพื่ออะไรเพื่อชาติฟังนี้คําว่าเพื่อชาตินี่นะเหมือนยิ่งใหญ่มาก ห, มนหนักแน่นมากมั่นคงมาก แต่ที่ไหนได้ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขทโทมณตและอุปายาตก็มีเขาพูดก็บอกว่าทาเพื่อข้าพเจ้าหรือทําเพื่อพระพุทธเจ้านะทําเพื่อข้าพเจ้าหรือทําเพื่อพระพุทธเจ้าว่างั้นแรกๆก็เพื่อพระพุทธเจ้าหลักๆข้อ ก, ก, ก็หนักๆข้ก็เป็นเพื่อข้าพเจ้าตอนแรกก็บอกเพื่อชาติใช่ไหมในที่สุดก็เพื่อชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขทโทมณตและอุปายาตเนี่ยนะความเป็นไปในแหวัตทุกข์เป็นอย่างนี้จริงๆ ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาจึงพิจารณาทบทวนทั้งอดีตทบทวนทั้งอนาคตทบทวนทั้งปัจจุบันว่าล้วนแต่เป็นกองทุกข์จริงๆกองทุกข์เหล่านี้ถ้าย่นย่อมาก็คือสังขารธรรมนะความที่ทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยคือสิ่งที่ประชุมปรุงแต่งขึ้นนับหนึ่งได้ไหมก็คือสังขารธรรมนับสองคือนามรูปนามรูปนับสามคือสิ่งเหล่านี้ ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามนับสานับสี่ได้ไหมเพราะดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่นับสี่ก็ได้เพราะดํารงอยู่ด้วยกับพลิงกระหานบ้างผัสสะอาหารบ้า ง, สสาาางมโนสันเจตนาอาหารและดํารงอยู่ด้วยวิญญาณอาหารอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นก็คือ โรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เรียกว่าขันห้าอนาคตก็คือขันห้าที่กําลังไหลเป็นไปอยู่นี้ก็คือขันห้าอดีตอนาคตปัจจุบันก็คือขันห้านะนะขันห้าเหล่านี้ทีนี้เวลาที่ขันห้าจะเกิดขึ้นเกิดยังไงก็เกิดทางขันห้าทางตาขันห้าทางหูจมูกลิ้นกายใจวันในอดีตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอนาคตต่อไปก็เพื่อจะอะไรเพื่อจะไป ไปดูไปฟังไปดมไปชิมไปรับกระทบโภสภาพไปนึกไปคิดอะไรเนี่ยนะก็คือไปมีตาหูจมกูกลิ้นกายใจปัจจุบันที่ไหลไปก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจนะฮัลัอดีตก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจอนาคตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจุบันก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่เป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่โอ้ยไม่ใช่จะ ง, ง่ายนะบริหารให้อะไรได้พอดูเนี่ยไม่ง่ายใช่ แต่งของในโลกนี้ให้พอดูแต่งเสียงให้พอฟังเป็นต้นเนี่ยแต่งยากมากก็ดูแต่งอาหารให้มันถูกลิ้นดูสิแต่งง่ายหรือแต่งยากนะครับแต่ละอย่างที่เกิดจากการปรุงแต่งขึ้นในทวารทั้งหกนี่เป็นมหาภาระเลยแล้วอะไรเป็นตัวจัดแจงให้ตาหูจมูกลิ้นเกิดในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็กรรมนะกรรมนี่มาจัดแจงปฏิสนธิ จิตปฏิสนธิวิญญาณให้เกิดขึ้นให้รูปต่างกันจิตต่างกันเป็นต้นว่าจิตเหมือนกันหรือว่าอายตนะหแตกต่างกันทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันที่เหมือนกันเลยอดีตก็รับแต่โลกธรรมปัจจุบันก็กําลังรับโลกธรรมอยู่อนาคตต่อไปก็สแสวงหาโลกกระทำคนทั้งหลายก็สแสวงหาความสุขใช่ไหมพูดตรงๆรงนะทุกคนเกิดมาเพื่อสแสวงหาความสุขใครหาเจอบ้างทําไปทํามาเจอแต่ทุกข์อ่ะนะ อันนะั้นเจอแต่กองทุกอันนะั้นมันเหมือนกันน่ยนะคือหวังหวังว่าเราจะสุขแต่ว่าทําไปทํามายิ่งทํายิ่งทุกข์นีนะอันนะั้นคือสแสวงหาความสุขก็หวังว่าถ้าทุกอันนี้หมดแล้วจกถึงความสุขถ้าหมดทุกอันนี้เราคงต้องถึงความสุขแต่ที่ไหนได้นะกองทุกใหม่ให ม, ม่ก็เข้ามาเรื่อยเพราะการแก้ปัญหาของปุตุชนทั้งหลายเป็นการแก้ปัญหาเพื่อเอากองทุกเป็นการแก้ปัญหาเพื่อสแสวงหาทุกขทั้งหมดเลยนะ ทีนี้เมื่อมีตัวเองอมีสุขบางคนก็ตกปรารถนาไปเที่ยวแสวงหาลาบสแสวงหาการได้ใช่ไหมสแสวงหาการได้เห็นการได้ยินเป็นต้นสแสวงหาชีวิตสแสวงหาปัจจัยสี่สแสวงหารูปสวยๆเ ส, สียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆโดยมากได้หรือเสียเสียเนี่ยนะ ก็สแสวงหาเพื่อเกิดให้เกิดการได้นะนะหาไปหามาก็มีแต่เสียขึ้นเสียขึ้นเสียขึ้นในที่สุดแม้กระทั่งชีวิตจะรักษาไม่ได้เนี่ยนะเสียแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยนะที่ผมบอกว่าการสแสวงหาเนี่ยนะโทษแห่งการสแสวงหาคนที่หาแล้วประสบความสําเร็จมีไม่มากเนี่ยนะหลายคนเอาชีวิตไปไปแลกมาก็ก็ไปสิ้นชีวิตนะที่นั้นๆ น, น, นั้นเองเพรารแสวงหาการได้ที่ไหนได้เอาไปเอามาก็กลายเป็น เสียก็คือเสื่อมลาบ น, น, นะนะลาบทั้งหลายก็คือการมีชีวิตการไม่มีโรคการมีความสุขแต่ว่าทําไปทํามาก็สูญเสียไปหมดเลยก็เหลือแต่ความสูญเสียนี่นะเหมือนอย่างว่าบางคนเนี่ยโอ้โหมีต้นทุนประกอบการงานมีเยอะแยะไปหมดเลยทําไปทํามาหมดตัวเลยอย่างนี้นก็ลักษณะนั้นนั่นแหละว่าเอย๊ยิ่งหาไปยิ่งยิ่งหมดไปยิ่งหายิ่งหมดอันนั้นคือโลกกระทำทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้เป็นของคู่ประจําโลกใช่ไหมเมื่อมีได้ก็มีเสีย ถ้าเราได้มากๆเราก็จะได้มียศเยอะๆมีพวกมากมีพ้องมากมีคนเป็นที่รู้จักมากใช่ตอนแรกเป็นอย่างนั้นตอนหลังก็เลยมีศัตรูมาก <c ười> คนที่เรารู้จักพร้อมที่จะเป็นศัตรูเราเราก็แสดงว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นศัตรูของใครก็ได้นะว่าโดยสัจจะแล้วเราก็แสดงว่าพร้อมที่จะเป็นศัตรูของผู้ใดก็ได้รั้นสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละมียศมี เสื่อมยศพันการยศก็คือมีญาตินั่นแหละญาติทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นยศทีนี้ความเสื่อมยศก็คือการมีศัตรูทั้งหลายแล้วต่อไปอีกสิ่งหนึ่งก็คือสแสวงหาคํายกย่องสรรเสริญได้หน่อยเดียวที่เหลือถูกด่าหมาเลยถูกเขาบ่นถูกเขาว่าถูกเขาตําหนิซะส่วนใหญ่เนี่ยนะมันก็สแสวงหาโลกธรรมมันเมื่อเกิดมาในโลกอดีตที่ผ่านมาก็ชีวิตก็รับใน โลกธรรมทั้งหลายปัจจุบันก็กําลังรับโลกธรรมอยู่แสวงหาในอนาคตต่อไปก็ไปหาโลกธรรมนี่โลกธรรมซึ่งเป็นของคู่โลกอย่างนี้เราก็หวังว่าเราจะได้หนึ่งได้ไงได้ลาบได้สรรเสริญได้ยศได้ความสุขแต่สิ่งที่หามาล้มตรงกันข้ามหมดเลยนะได้อะไรได้ความเสื่อมลาบได้ความเสื่อมยศได้รับการนินทาแล้วก็ได้รับความทุกข์เป็น อันนี้ส่งตามมาชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าก็ไปสแสวงหาอะไรไปสแสวงหาลาบสแวายยสแวงหายศแสวงหาคําสันเซิญแสวงหาความสุขหาไปหามาก็ไปเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกเขานินทาว่าร้ายก็นอนทุกอยู่ในใจอยู่นั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเออไม่ค่อยรู้จักเบื่อไม่รู้จักหน่ายนะแต่ว่าหลายคนพอฟังทำเข้าเอ้มันชักไม่ไหวแล้วนะเนี่ยนะเริ่มรู้ตัวว่าเอมันชักไม่ดีจริงละนะว่าสิ่งที่เราเสแสวงหาสิ่งที่เราปรารถนาะไม่ได้ดิบได้ดีอะไรใน บ้านปลายเลยมีแต่กองทุกข์ที่เป็นอยู่ะนะซึ่งไอไอความสุขความทุกข์เหล่านี้นะคนที่ที่ไปอดีตที่ผ่านมาก็ต้องมีที่อยู่ใช่ั้ยอนาคตที่ต่อไปก็ต้องมีที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็กำลังมีที่อยู่กันอยู่ที่อยู่ตัวนี้เรียกว่าสัตววาดภูมิเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายภูมิเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายอดีตที่มาอดีตที่ผ่านมาเราเคยอยู่ที่ไหนมาบ้างอยู่ในคันอยู่ในไข่อยู่ในเท่าคลายเป็นโอปปาติกะ ก็อยู่มาแล้วนะแล้วก็อยู่แบบมีรูปต่างกันมีจิตต่างกันเป็นต้นก็แตกต่างกันไปสแสวงหาในอานาคตต่อไปก็สแสวงหาที่อยู่สแสวงหาที่เกิดเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าใครเกิดเป็นโอปปาติกะเรากสแสวงหาที่เกิดแต่ตอนนี้เราได้เกิดมาแล้วเนาะเกิดในครันนี่เกิดในคันไม่รู้ว่ายุบจากคันไม่รู้เกิดในไข่หรือว่าเกิดเป็นโอปปาติกะขึ้นมาก็เลือกเลือกเอากันแล้วกันว่าสมควรจะได้อะไรแต่จาให้ดีก็เลือกเอาโซดาปฏิมักกันนะ จะได้แหมจะได้ตัดภพตัดชาติตัดการเกิดไปสักทีหนึ่งเั้นทั้งอดีตอนาคตก็คือสิ่งเหล่านี้ทีนี้อดีตอนาคตปัจจุบันที่ผ่านมาเหมือนกันเนี่ยนะเราต้องการส่งเสริมอายตนะสิบมากส่งเสริมตาส่งเสริมสีส่งเสริมหูส่งเสริมเสียงส่งเสริมจมูกส่งเสริมกลิ่นส่งเสริมเลน้นส่งเสริมรสส่งเสริมกายส่งเสริมกับโพธพภะเราจะให้ขาส์หอาอันนันห้าคู่นี้เป็นหลักนะ ชีวิตของผู้ไม่รู้อริยสัจธรรมให้ค่าให้คุณค่าให้สาระอ น, นะให้ความสำคัญมั่นหมายให้ว่ามันดีมันจริงมันแท้ในตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับเกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพตภาใจใจก็ไม่เท่าไหรอนะ่ะมันจะเป็นบาปเป็นอกุศลบัางก็ช่างมันคอยได้เห็น ใจจะเป็นอากุศลก็ช่างมันขอให้ได้ยินใจจะเป็นอากุศลไม่เป็นไรขอให้รู้กลิ่นขอให้รู้รสขอให้ได้รับกระทบโภธาภาจะดีใจจะเสียใจบ้างจะกุศลอกุศลช่างมันเถอะขอให้บริบูรณ์ด้วยตาเห็นรูปบริบูรณ์ด้วยหูฟังเสียงบริบูรณ์ด้วยจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายรับกระทบโภธาภาอนาคตต่อไปเกิดที่ไหนก็ช่างเถอะขอให้มันบริบูรณ์ด้วยตาเห็นรูปสวยๆหูฟังเสียงเพราะๆกลิ่นรับรสพร้อมๆเป็นต้นเนะจะไปทําบาปทำอกุศลก็ช่างมัน ขอให้มันบริบูรณ์ด้วยสิ่งนั้นไปก่อนปัจจุบันนี้โดยมากก็เป็นอย่างนั้น น, นะขอให้ได้การเห็นที่ดีๆเธอจะล่วงบาปล่วงอัุสลก็ช่างขอให้ได้ฟังเสียงที่ตัวเองพอใจเถอจะล่วงบาปล่วงกรรมมาก็ช่างขอให้ได้รับกลิ่นหอมๆที่ตัวเองน่าพอใจรสอะไรอร่อยที่ตัวเองน่าพอใจเนี่ยจะเข่นจะฆ่าก็ช่างมันขอให้ได้ประสบกับเบญจา ก, กามคุณในถวาวรทั้ง าอาดีตที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นอนาคตที่เราเที่ยวไปก็ไปหาวัตถุ ก, การามไปหารูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆที่เราพอใจสัมผัสที่ดีๆเนี่ยนะอันบางคนเลือกไปอยู่บางที่เพราะที่นั่นอากาศดีบางคนเลือกบางแห่งก็เพราะอาหารอร่อยบางคนเนี่ยเลือกเพราะมันมีกลิ่นที่ปุพชาติกลิ่นมวลปุพชาติหลายชนิดด้วยกันบางพวกก็บอกวิวสวยมากก็เลยเลือกเอาทะที่นั้นๆนะ บางคนก็เลือกว่า โ, โหที่นี้เสียงไพเราะมากนะมีนกร้องให้ฟังทั้งวันอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลือกมันการเลือกสถานที่นะคนเนี่ยปรารถ้าอย่างแล้วเลือกเลือกที่ไปนะ